ทีนี้ในอันตกถามีคําที่ชวนให้คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าปุถุชน ผ, ผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะจะกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวใช่ไหมกลัวไว่าเ้นถ้าถ้าเราไม่ปฏิสนธิอีกมันจะดียังไงนเนี่ยนีถ้าไม่มีขันท่าอีกเนี่ยมันจะไปดียังไงเนี่ยนีคือคือปุถุชนจะกลัวแบบนี้ใช่ไหมถ้าตายแล้วศูนย์จะไปดียังไงว่า ง, งั้นเถอะหรือตายแล้วตายแล้วถ้า หมดรูปหมดเวทนาหมดสัญญาหมดเราเลยอ่ะนะความเป็นเราหายศูนย์ไปหมดเลยเอ๊มจะไปดียังไงบอกว่าฉะนั้นปุตุชนผู้ไม่ได้สดับมาจึงเชื่อว่ามีความสะดุงเพราะเขาคิดว่าบัตรนี้เราจักศูนย์เราจักไม่มีอ่ะนะคือเราจักไม่มีอะไรอะไรจึงเห็นตนเนี่ยเสมือนตกไปในเหวเนี่ยนะตายแล้วเหมือนอวุ่บมันหายไปหมดเลยใช่ไหมมัน ก, ก็ปุตตชนเนี่ยกลัวแบบนั้น เหมือนพราหมณ์คนหนึ่งเหมือนกันเล่ากันมาว่าพระจุรนาคเทระผู้ทรงพระไตรยปิดกสวดพระธรรมเนื่องด้วยไตรลักษ์อยู่ภายใต้โลหะประสาทนะใครไม่เคยเห็นโลหะประสาทไปดูที่กรุงเทพวัดราชนัดดาใช่ไหมนั่นนะวัดนั้นนะ่ะเขาจําลองมาจากสีลังกาแต่ที่สีลังกาไม่มีล้นั่นแหละท่านสาธยาอยู่ใต้โลหะประสาท ครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งกำลังยืนฟังธรรมอยู่หน้าที่แห่งหนึ่งสังขารได้ปรากฏเป็นของว่างเปล่าเขาเนี่ยเสมือนตกไปในหิวคือใช้คำว่าอัะโดยเฉพาะโดยเฉพาะฟังคำว่าอนัตตามากๆากเยเอ๊ะแล้วอัดแล้วมันหายไปหมดเลยอยังนั้นหรือเนี่ยนะคือเนื่องจากไม่ได้เจริญวิปัสนาไคร่ครวนโดยอุบายเพื่อคือไม่ได้เห็นโทษของขันท่าแล้วเน้นเพื่อที่จะกาจัด ฉั้นราคะในขันห้าทีนี้ไอ้ความที่ยังยึดติดในขันห้าเอ๊ะถ้าหายจากขันห้าไปเลยอะเหมือนก็ตกหิวว่างั้นเถอะก็เลยหนีออกจากที่นั้นทางประตูที่เปิดไว้เข้าไปในเรือนเนี่ยนะแล้วให้ลูกเนี่ยนอนมันอกกล่าวว่าพ่อเมื่อเรานึกถึงรัที่ของตอนเนี่ยเป็นอันชีพหายแล้วว่างั้นเนี่ยศูนย์แน่ยัง <c> ง <oughs> ี้นนก็คือสะดุ้งเลยว่างั้นอะผู้ปุถุชนนี่จะกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวเนี่ยนะกลัวเลอะเกินว่าจะหมดขันห้า พันถามว่าเอาแล้วผู้ที่พิจารณาตามความเป็นจริงเนี่ยนะคนที่มีวิปัสนาเนี่ยทําไม เ, าเขาจะไม่กลัวเขาจะไม่สะดุ้งในสิ่งที่ควรที่ที่ไม่ควรสะดุง้งถามว่าเขาคิดยังไงเขาจึงไม่สะดุง้งเพราะพระยศสาวกผู้ได้สดับเนี่ยเขาเขาไม่ได้คิดว่าเราจากักศูนหรือเราจักพินณะคือพื้นฐานไม่ได้อยู่บนอ อัตตาหรือไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอติดข้องในขันหใช่ไหมก็มองเห็นขันหตามมองเห็นขันหขันหเกิดจากปัจจัยถ้าปัจจัยดับขันหก็ดับคือสังขารทั้งหลายเท่านั้นแหละที่มันเกิดขึ้นสังขารทั้งหลายเท่านั้นแหละที่มันดับไม่มีใครเป็นแยกแยะไปแล้วไม่มีผู้ดับจริงๆในนั้นใช่ไหมถ้าโดยกล่าวโดยสภาวะประมัติเนี่ยนะไม่มีไม่มีผู้ดับ ไม่มีไม่มีผู้เข้าไปดับไม่มีผู้ที่ถูกดับแต่มีแต่เหตุเกิดขึ้นจากปัจจัยแล้วอ บ, บรมธรรมะเพื่อดับต้นเหตุอันนั้นแล้วทุกทั้งหลายก็จักจักดับเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าผู้ที่อยู่บนพื้นฐานไอ้รัที่อัตตาเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยจะฟังยังไงก็ฟังไม่เข้าใจเนี่ยนะในสูตรนี้ก็ผ่านนะก็ เผื่อจะได้เอาไปคิดแบบสูตรนี้บ้างนะจะได้ไปดีใจแบบพระพุทธเจ้าบ้างโสมนัดขึ้นเลยในปริวัติสูตรในะสูตรที่สองออประสูตรต่อไปนีกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอุปาทานขันห้าประการนี้เนี่ยนะห้าประการเป็นไนอุปาทานคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะ่ดูก่อนพิสูนทั้งหลาย เรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันห้าประการนี้โดยเวียนรอบสี่ตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอย่างยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูความพิสูจนทั้งหลาย เมื่อใดแลเรารู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยเวียนรอบสี่ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตวพร้อมทั้งสมณนะพราหม์เทวดาและมนุษย์เวียนรอบสี่อย่างเนี่ยอย่างไรคือไหนนะ รู้ยิ่งซึ่งรูปความเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับรูปนะพูดแบบสัมโนนบาลีหน่อยนะว่ารูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรทขามินีปฏิปทาเนี่ยนะอันนี้นี่ถือว่าสี่รอบใช่ไหมนี้รูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธขามินีปฏิปทาเท่ากับสี่ใช่ไหมคือเวียนให้เป็นสีได้เนี่ย รูานี้รูปนี้ความเกิดของรูปนี้ความดับรูปนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปเนี่ยนะอันนี้ เ, เรียกว่าเวียน4ีใช่ไหมทีนี้เวียนสีนี่ต้องเวียนในอะไรในขันห้านีนะเวียนสีในขันหนะ้าว่ารู้ยิ่งซึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะรู้เหตุความเกิดแห่งวิญญาณรู้ความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งวิญญาณเนี่ยนะเาเรียกว่าเวียน พรองบอกว่าถ้าพระองค์ไม่รู้ไอไอความเวียนสีสรอบในขัน5้าอย่างนี้นะจะไม่ปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยสูตรนี้เป็นสูตรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ผู้ที่จะเจริญวิปัสนานเนี่ยนะหรือผู้ที่จะไปพุทธคยาก็ควรจะระลึกถึงบทนี้ด้วยว่าที่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่เพราะพระองค์รู้เวียน เวียน4ประการเนี่ยนะหรือเวียนสรอบในขัน5เนี่ยนะรูปความเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปแล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปเนี่ยนะก็1 2สอง สามสี่อันนั้ในรู ป, ปขันก็มีสี่เวทนาขันก็มีสี่สัญญาสังขารวิญญาณขันก็มีสี่เนี่ยนะเรียกว่าเวียนสี่รอบในขันห้าเนี่ยนะการพูดแบบบาลีหน่อยก็รูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธาคามินีปฏิปทาเน่นะเพราะพระ อ, องค์รู้อย่างนี้แหละจึงได้เป็นพระพุทธเจ้านี่นะ อันนี้เป็นหัวข้อนะผู้ที่ฟังประเภทอุคติตันยูนะปฏิบัติได้เลยเ oh, like นี่ยนะโอ้นี่รูปนี่รูปมันเกิดอย่างนี้นะดับอย่างนี้นะด้วยข้อปฏิบัติอันนี้เนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนี่แหละเป็นพระพุทธเจ้าพ่อรู้แบบนี้นี่แหละเทสนาพระองค์นี่คือคือย่กยาทเทนได้หลายรูปแบบใช่ไหมครับนี่ก็คือนี่ก็คืออริยสัจสี ก็อริยสัตว์สแต่ถ้าถ้าเรียกรวมรวมนะขันห้าเรียกว่าทุกขเหตุเกิดของขันห้าเรียกว่าสมุทัยความดับขันห้าเรียกว่านิโร ธ, โรธข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอันนั้นเรียกว่ามักทีนี้แยกรูปแยกไอขันห้าเนี่ยแยกมาเป็นอันอันไปใช่ไหมแยกมานี้รูปนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขาร น, นี้วิญญาณก็มาหมุนแนวเดียวกันอีกแต่ถ้าใช้คําว่าทุกปั๊บเนี่ยรวมขันห้าหมดเลยแต่ถ้าจะแยกให้ละเอียดก็ได้5้าอย่างที่กล่าวไป ที่ผู้การกล่าวว่าอันนี้ยักย้ายเทสนาใช่ไหมบอกว่าใช่เป็นเทศนาวิราชพระพุทธเจ้านั้นอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าธรรมราชาพิจารณาเรียกว่าแสดงธรรมอย่างที่ต้องการได้หมดเลยอะนะด้วยอำนาจเทศนาวิราชนะจะยักย้ายยังไงก็ได้เรียกว่าผู้ชำนาญในเรื่องนี้เลยนะียยักย้ายได้หมดแต่ถามว่า แล้วนึกว่างๆอยากจะยักย้ายอะไรเล่นก็ยักย้ายเล่นใช่ไหมบอกไม่ใช่มหากรุณาที่มีต่อสัตว์เหล่านั้นนั้นว่าสัตว์เหล่านี้นะถ้าเข้าฟังเทศนาแบบนี้นะเขาจะกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานีโรดให้แจ้งแล้วปฏิบัติอย่างนี้แล้วเจริญได้อะนะเขาเขาเรียกว่าอัธยาศาัยของสัตว์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่กําหนดให้พระองค์เน้แสดงไป ชอบคาพระโบราณโบราณอาจารย์เนี่ยนะโบราณอาจารย์ก็คือสมัยรัชกาลที่หนึ่งถอยหลังเบนต้นไปนะเขาจะไม่เรียกพระพูเทอเจ้า ท, ทั่วไปไม่ค่อยใช้ศัพท์ว่าพระผู้เทอเจ้าใช้คําว่าสมเด็จพระมหากรุณาเนี่ยนะสมเด็จก็หมายถึงกษัตริย์นะสมเด็จก็มาจากสมดัชเนี่ยนะก็คือกษัตริย์ สมเด็จพระมหากรุณาหรือว่าสมเด็จพระโล ก, ก น, นาฏเนี่ยจะใช้ศัพท์แบบที่เรียกว่าประกาศถึงว่าผู้อนุเคราะห์ต่อรรศัพท์พรศักด์จริงๆนะเนี่ยนะสิ่งที่พระองค์แสดงทั้งหมดเนี่ยเพื่อสงเคราะห์สัตว์เนี่ยนะเขาจะให้จะให้มองในผู้มีพระมหากรุณาอย่างอย่างยิ่งเลยเนี่ยนะมันก็ที่แสดงเนี่ยก็เพราะสงเคราะห์สัตว์อย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เคารพธรรม พระพุทธเจ้ามีธรรมะเป็นทงเนี่ยนะเป็นทงธรรมะ น, นั้นคือโลกุตระธรรมเพราะทั้ที่พระองค์แสดงคําที่พระองค์เทศจะไม่พ้นโลกุตระธรรมเนี่ยนะปฏิสังยุทธ์เนี่ยวันนี้ทุกสมูทายนิโรธมากอะเพื่อจุดประสงค์ให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสตร์นั่นเองทีนี้นิเทศเนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยอุเทศนะรูปรูปสมูทายรูปนิโรตรูปนิโร ธ, รโรธคำนี้นี่ปฏิปทาเรียกว่าอุเทศพอนิเทศขยายว่า ก็รูปเป็นฉไหนคือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี่เรียกว่ารูปเนี่ยนะแค่นี้คนมีปัญญาเขารู้เลยนะถามว่าทําไมเขาจึงรู้เลยอะ่ะเพราะว่าผู้ที่มาปฏิบัติเขาเห็นโทษของอุปาทานขันห้าโดยโดยโด ย, โดยอัธยาศัยปกติของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะเขาปกติเขาเหมือนกับว่าตื่นเชาาออ้ามาโอ้โหบริหารขันอีกแล้วเนี่ยนะหลับก็พักอีกแล้วตื่นขึ้นมาบริหารขันอีกแล้ว เขาเคยมีนะบางคนเขาเล่าว่าเขาบอกเขาเบื่อเหลือเกินที่จะต้องตื่นขึ้นมาอีกเนี่ยนะคือลักษณะนั้นเขาเบื่อหน่ายในขันห้าอยู่ตลอดนะนึกชิงชังอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอพอมาฟังแบบประรูปเขาไอ้นึกถึงสิ่งที่เขานึกอยู่แล้วเนี่ยนะคือคือชีวิตของเขาเนี่ยว่าประกอบด้วยมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปนะแต่ทำไมไม่ขยายไอ้อุปาทายรูปให้ละเอียดไปเลย เพราะว่าอุปาทายรูปแต่ละตำแหน่งมันไม่เหมือนกันใช่จากขู่ภาษาทะก็เกิดตามตำแหน่งนั้นๆเพราะถ้ากล่าวรูปภูตรูปและรูปที่อาศัยก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็ความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารเนี่ยนะสูตรก่อนๆหน้านูาน้นมาเ น, นี่ยนะขออภยัยในสูตรนี้แหละ พึงทราบด้วยอำน า, สาจสัจจะสี่ในบททั้งปวงด้วยประการชนิดกับพลิงกราหานที่เป็นไปกับฉันธราคะชื่อว่าอาหารในคําว่าอาหารสมุทยาเพราะฉะนั้นคําว่าเพราะความเกิดแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารให้รู้เท่าว่าบวกฉันทราคะด้วยแล้วนะเนี <Stones. S 1> ่ยนะคือกับพลิงกราหานเนี่ยด้วยฉันทราคะด้วยไอ้คำ ว, ว่าอาหารรสมุทัยเนี่ยนะความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่ง อาหารก็ต้องดับฉันนราคะด้วยไม่ใช่ดับกับพลิงกระหานอย่างเดียวอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะนี่แหลเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปเนี่ยนะ ถ้ากล่าวในแง่ของการไปเจริญหรือการพิจารณาจริงๆเนี่ยนะชีวิตคืออะไรคือคือรูปว่างั้นถอะเอานะถามว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นใครเป็นอะไรไหมบอกไม่ใช่สักอย่างเลยมันเป็นรูปรูปจะเกิดเกิดเพราะอะไรเกิดเกิดเพราะอาหารเนี่ยนะอัตกถาท่านยังบอกว่าฉันทราคะด้วยนะ เท่ากับบอกว่าตัณหาถ้าได้สองอย่างนะผู้ที่เรียนอุเทยพยายานมารู้เลยใช่ไหมว่าควรจะมีอะไรต่อยอวิชชาีอะไรกรรมเนี่ยนะเท่ากับแสดงหมดแนละ้วแต่ตพุทธพจน์เอาอันเดียวมาให้เห็นมันเด่นๆ่นหน่อยคืออาหารอัตถกถาให้เพิ่มอีกนี่ก็รู้เลยว่าตัณหาวิชากำรเรนี่ยนะเพราะอาศาัยเหตุเหล่านี้รูปจึงเกิดขึ้นเงี้ยนะ ถ้ารูปจะดับเขาบอกว่าเพราะอาหารดับเนี่ยนะอาหารดับอย่างเดียวด้วยใช่ไหมหรืออะไรอย่างอื่นดับด้ว ย, อ, ย, อ, วยอันนะถ้าถ้าอาหารดับอย่างเดียวดับแล้วแถ้าจบหมดเลยนะหมอก็ไม่ต้องให้ยาเท่านั้นแหละคนไข้จะตายเพราะฉะนั้นถือว่าจบหมดเลยใช่ไหมแต่มันไม่จบจริงอันนะเพราะอะไรเพราะยังตัดฉันธราคะไม่ได้เพราะฉะถ้าจะดับรูปอย่างแท้จริงเนี่ยนะรูปนิโรดต้องดับฉันธราคะด้วยดับอวิชาดับกรรม เนี่ยนะถ้าดับได้รูปนี้รูปหรือรูปนี้โรดก็ก็ดับเนี่ยนะซึ่งไอการที่จะดับสิ่งเหล่านั้นได้ไอความดับอันนี้มีสภาวะอยู่นะอย่างที่ว่านะคือกําจัดฉันทราคะในรูปได้อย่างสิ้นเชิงนั่นแหละด้วยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8โดยที่มีความดับอันนี้เป็นอารมณ์เนี่ยเลอริยมรรคเนี่ยนะไม่ใช่พอ บางท่านศึกษาไม่ดีถ้าใช้คําว่าอริยมรคมีองแปดนะให้รู้ว่าโลกุตระอย่างเดียวแต่ถ้าใช้คําว่ามรแปดเฉยๆเนี่ยเป็นโลกิยะก็ได้ถ้าบอกว่าอริยมร์อันประกอบไปด้วยองแปดนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารบัญหมายถึงมร์หรือองค์มร์เจตสิกเนี่ยนะแดดวงเนี่ยนะมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอ่ะมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่า จํากัดอารมณ์ด้วยนะว่าต้องมีนิพานเป็นอารมณ์ถ้ามีแต่ถ้าแยกเป็นดวงๆไปนะถ้าแยกสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะก็จะมีอารมณ์ต่างหากนะถ้าแยกแยกเป็นอย่างๆนะถ้าแยกสัมมาสังกัปปะก็จะเป็นไปกับเนคขมะสังกัปปะเป็นต้นถ้าแยกวาจาก็จะเป็นสัมมาวาจาเป็นต้นซึ่งแบ่งประเภทเป็นสถ้ากรรมมันตะก็แบ่งประเภทเป็น สาอาชีพก็แบ่งเป็น7อาชีพที่เว้นจากการยัตุจริตสามมจีทุจริตสี่ก็เป็น7ถ้าแบ่งวายามะก็แบ่งเป็น4 ส, สติประธานก็เป็น4ีฌานก็เป็นสี่สัมมาทิฏฐิจะว่าไปก็อริยสัจสี่ถ้าขยายไปแล้วก็เหมือนกับว่าโหมันเรื่องราวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดพุทธพจน์แบบนี้หมายถึงว่ามักมีองค์8เนี่ยมีนิพานเป็นอารมณ์ นี่ก็มาดูว่าแล้วจะเจริญแต่ละตัวให้มาประกอบได้ยังไงนนพูดแบบสำนวนแพทย์หน่อยบอกว่ามันต้องหนึ่งแคปซูลนะมันจึงจะหายนะแล้วแคปซูลเนี่ยไปกลั่นมายังไงให้มันอยู่ได้ในแคปซูลเดียวกันอ่ะนะก็ค่อยว่าวิธีกลั่นต่อไปอันนี้พูดถึงแบบระดับสูงสุดเลยนนะเนราได้ทราว่าในในวงกลมเนียคือคือโพธิภพเทีเยม อันนะั้นตัวอย่างของโพธิปัธิัยธรรมนนะเอามาพอเป็นตัวอย่างอชอบศัพท์หนึ่งว่าอุปัลกขณะในยะไม่ใชนะ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชรวม3าสบยกมรคแปดขึ้นมาถ้ายกอริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดขึ้นมาเนี่ยนะแต่ที่ที่ตัวเลขในนั้นเช่นสัมมาถถทิฏฐิรู้อริยศาสตร์สีสัมมาสังกัปปะ กุศลสังกัปปะสามสัมมาวาจาคือเว้นจากวาจีทุจริตสี่เป็นต้นเนี่ยนะขยายตามนั้นแต่นี่ในทั้งหมดเรียกว่าอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก่อนที่จะเรียกมรรคเนี่ยนะถ้ากลุ่มโพธิปักขยธรรมก็ย้อนว่ามาจากพกชงเจ็ดพ่อชงเจ็ดมาจากพระห้าพระาจากอินสีห้าอินสีอิธิบาทอิธิบาทสัมมประธานสัมมประธานมาจาก สติปัฏฐานเพรา ะ, ะนั้นเอาสูงขึ้นมาเลยนะต้องไล่ไ ล, ไลไ่กลุ่มธรรมะอันนั้นต้องไล่ย้อนกลับมาได้นะท่านพระองค์ก็กล่าวต่อไปว่าก็สมณะหรือพราหมณ์เราได้เราหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความนายเพื่อ ความคลายกําหนัดเพื่อความดับรูปนี่ถ้าเป็นข้อปฏิบัติจริงๆนะถ้าผู้ที่จะปฏิบัติในรูปเลยอะ่ะอันนี้ยกตัวอย่างถึงการปฏิบัติเลยว่าจะต้องปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายนะสรุปว่าเจริญยังไงก็ได้ให้เบื่อหน่ายในรูปอย่างนั้นเถอะเมื่อเบื่อหน่ายแล้วให้วิราคะในรูปถ้าวิราคะแล้วต้องไม่สร้างรูปใหม่ขึ้นนะอันนี้นถ้าอันนี้กล่าวแบบแต่เบื่อหน่ายก็เป็นนิพพทาใช่ไหมคลายกําหนัดก็อริยมรร ดับก็เป็นนะนี่โรธะนะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยนะผู้ปฏิบัติดีนะที่เรียกว่าสุปฏิปันโนในศาสนานี้คือปฏิบัติอย่างนี้ชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวิไนนี้นะถ้าปฏิบัติตามนี้แหละเป็นศาสนานี้ดูก่อนพ่สูจนทั้งหลายอันนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นอ้อขอไป ดูก่อนพี่สูตทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นรูปสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้มีกําลัง สา ม, มารถของตนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้มีกําลังสา ม, มารถของตนความวนความเวียนวนเพื่อปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะพรามณ์เหล่านั้นอันนี้หมายถึงพระอรหันต์แต่ถ้าเป็นส่วนก่อนนะบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าปฏิบัติ ด, ดีแล้วคนที่ปฏิบัติ ด, ดีแล้วชื่อว่าปฏิย่อมอย่างลงสู่ธรรมวินัยนี้อันนั้นหมายถึงพระเสขส่วนขึ้นมาใหม่ข้างล่างเนี่ยเป็นหมายถึงพระอรหันต์เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็แสดงทั้งผู้ปฏิบัติดีในธรรมวินัยหมายถึงพระเสขะทั้งหลายและก็ผู้ที่ปฏิบัติจบกิจในธรรมวินัยคือพระเอเสขาทั้งหลายเนี่ยนะก็จะเห็นว่าพระเสขะท่านปฏิบัติยังไงพระอรหันต์ทั้งหลายท่านปฏิบัติยังไงเนี่ยนะอนอนี้เรียกว่านิเทศ าปฏินิเทศต้องมาขยายมหาพุทธีเป็นฉนะัยประกอบด้วยเนี่ยนะถ้าขยายละเอียดลงไปอีกเรียกว่าปฏินิเทศเนี่ยนะอันนี้รูปแล้วก็เ ว, เ ว, เวทน า, นยายเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็ขยายแต่แต่ว่านายัยต่างกันนิดหน่อยต่างกันตรงไหนบอกว่าเวทนาเนี่ยเวทนาสใช่ไหมหรือเวทนาหกเวทนาที่เกิดจากเวทนาทางทวาร6 เวทนาเกิดเพราะอะไรเกิดภาษภาเนี่ยนะสัญญาก็สัญญาหกสังขารก็คือเจตนาหกธรรมะเหล่านี้เกิดจากอะไรภาษาเนี่ยนะส่วนวิญญาณก็คือวิญญาณหกถ้าวิญญาณหกเกิดจากอะไรนามรูปเนี่ยนะแต่ว่าให้บวกด้วยกับฉันทันราคะด้วยนะก็บวกคือรู้อยู่แล้วนะคือพื้นฐานผู้ศึกษาแบบนี้ต้องรู้เหตุเกิดความดับโดยอาการอย่างละ25เนี่ยถือว่ารู้กันเนี่ยนะ แล้วก็ต่างกันตรงนั้นที่เหลือก็เหมือนกันหมดอันนี้ใช้คําว่าเหมือนนี่ยคว่าเหมือนหมายถึงว่าแบบฟอร์มเหมือนกันแต่รายละเอียดโดยลึกไปไม่เหมือนกันเหมือนอะไรเหมือนกับกรอกใบสมัครนะแบบฟอร์มให้กรอกเหมือนกันแต่ว่าคนที่ไปกรอกเหมือนกันไหมไม่เหมือนมีเรื่องเฉพาะคนนั้นไปอีกเยอะนะแต่ของเรานี่เรียนแบบที่เรียกว่า เรียนแบบอย่างเงี้ยแบบที่เห็นเนี่ยแล้ว<า>แต่วิจารณ์เอาอะ ถ, ถามอะไรทำมาราคาเป็นของดีหรือเปล่าครับทำมาาคาคือต้องดูว่าคําเนี่ยใครพูดอ่ะนะทำมราค้าเนี่ยเป็นของดีไหมทำมราคาแปลโดยในที่นี้นะหมายถึงความยินยุติดในสมสถะและวิปัสนาถ้าถ้าเฉพาะที่ที่พูดไปนะ แต่ถ้าธรรมะตัณหาที่อื่นเนี่ยอีกในหนึ่งอะ่ะคนละเรื่องแต่ถ้าถ้าเฉพาะล็อกว่าถามว่าถ้ายึดติดในสมถะวิปัสนาเนี่ยถามว่าดีหรือไม่ดีถ้าพูดในระดับพระนาคามีนี้ไม่ดีแต่ถ้าพูดถึงระดับคนทั่วท่วไปนะโอโ้ถ้าใครติดสมถะวิปัสนาได้นะโอ้โหยกย่องเขาเถอะ็ น, นดีกว่าติดในศีลนะใครที่แหมทําอะไรก็ห่วงกลัวศีลจะขาดเราก็เรียกว่าคนดีอยู่แล้วใช่ไ แต่้ใครทำอะไรแล้วแหมห่วงสมถะห่วงวิปัสนามกาเดี๋ยวเสียหายสมถะเดี๋ยวเสียหายวิปัสนานะติดข้องผูกพันเหลือเกินที่จะเจริญแบบนั้นนะถ้าพูดแบบแบบพวกเราพูดกันเนี่ยนะบอกโอ้โ oh, ห oh, ชั้นยอดเลยนะคนนั้นเนี่ยยกมือไหว้ได้เลยอ่ะสบายสนิทใจด้วยว่าเป็นคนดีจริงๆดีในสังคมในยุคอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเอาแบบแหมสายตาพระพุทธเจ้ามาพูดนะ บอก็บอกว่าพบแม้มีประมาณน้อยมันก็ไม่ดีเหมือนอะไรเหมือนอุจจระมันมีประมาณน้อยมันก็เม็นอ่ะนะอันโนน่ ะ, นนะพระพุทธเจ้าเทพนะ น, นะ<ส> ก, ก็ต้องดูว่าเราเป็นใครหรือว่าคําพูดอ น, นันต์เนี่ยเราเราจะน้อมไปสู่ว่าบุคคลใดเป็นผู้กล่าว น, นะคำตอบทาำราคาเนี่ยผู้ละได้คือพาระทหารอ่านะผู้ที่ละละละความยึดละ อุปาทานในสมถวิปัสนาได้เป็นพระอรหันต์อย่างเดียวคือพระอนาคามียังยินดีในสมถะยัง ย, ยินดีในวิปัสนาอยู่เนี่ยนะผู้ที่ละยินความยินดีในสมถวิปัสนาได้เด็ดขาดคือพระอรหันต์ของเราเนี่ยโอ้โหแหมบอกแห ม, หมถ้าติดมันไม่ดีทั้งนั้นแหละปัญหาขอให้มันติดจริงซะ ก, ก่อนแนละค่อยแกะตรงนี้นะตรงนี้นะนนะถ้าตัมมาจะแนะนํานะบอกว่าให้ติดซะ ก, ก่อนแนละ้วค่อยแกะนั้นะไม่ยากหรอก ปัญหามันยังไม่มีเลยบอกฉันไม่ติดในสมถาวิปัสสนาเลยอย่างเงี้ยนะไอ้ไม่ติดนี่แปลว่าไม่มีติดไม้ติดมือมาเลยอย่างเงี้ยนะนี้ก็ยุ่งเหมือนกันอะไรก็ถ้าอย่างาา ง, ง, างี้เนี่ย ท, like, ทั่วไปเขาเขาสับเขาไม่ใช่ใช้สัน์นี้เขาใช้เขาผู้ฝ่ในธรรม ธรรมกาโมผวังโหติเนี่ยนะผู้ใฝ่ในธรรมหรือผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญจะดูได้ว่าใครเสื่อมใครเจริญบอกว่าผู้ใฝ่ในธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้ผู้เสื่อมเนี่ยนะอันนี้มองแบบสายตาธรรมดาทั่วๆไปใช้คําว่าธรรมกาโมผวังโหติเขานี่ยเขาไม่แปลว่าใครนะเขาแปลว่าผู้ใฝ่ในธรรมผู้นั้นเป็นผู้เจริญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเนี่ย มีฉันท่าในธรรมะเนี่ยนะฉันท่แบบนี้เนี่ยนะดีไม่ไม่เป็นคือคอให้มันมีก่อนเถอะแล้วค่อยไม่ติดะนะเนะมันถายังไม่ได้ข้ามฟากเลยบอกฉันไม่เอาหรอกเรือบางงั้นเถอะไม้มันหนักนะหรือยังไม่ได้ข้ามเลยนะอยู่ฝั่งนี้อยู่ดีอ่ะให้มันข้ามไปถึงฝั่งโน้นนะถ้าฉันขึ้นบอกแล้วฉันจะไม่แบกเรือขึ้นไปด้วยเลยอ่ะนะแล้วค่อยว่าอีกครั้งหนึ่ง นายรับจองเียเออได้ํารองได้เพราะว่าแกมีพื้นแคนี้นะแกไปสมัครเป็นนายรับจำองได้นะคุณบอกเขเฮ้ยเป็นนายรับจำลองเป็นในได้วะถ้านนายทาไมเป็นตําเหีย่อน่านงไเป็นตํเหียนแล้วกูไม่เอาบอกไม่เอาแลเป็นในคนไม่ได้ไม่เอาโอเคเขาเป็นตําเหรีย ดังนั้นก็ปัญหาก็ที่ติดเนี่ยบางอย่างเนี่ยเหมือนว่าคนนี้นัติดในศีลจังเนอยนะคือถามว่าศีลกับสมถะไหนดีกว่ากันสมถะดีกว่าถ้าคนที่ติดในศีลเนี่ยก็ถือว่าแหมคนดีเยี่ยมเลยนะหวงมากทําอะไรกลัวศีลจะขาดเนี่ยก็ยกย่องอยู่แล้วนะก็มีคนอย่างนั้นเลยนะนายจ้างทั้งหลายรักเลยแหละบางทีเี่ยก็ดีอย่างนั้นนะปกติก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าส่วนทั่วๆไปนัก็มีพระอยู่รูปหนึ่ง ไม่รู้ตอนนี้สึกไปหรื อ, อยังไม่รู้เจอกันรักสี่ห้าปีที่แล้วไปที่วัดแห่งหนึง่งเขาเขานิ ม, มนต์ให้ไปแสดงธรรมให้โยมฟังมาก็แสดงโยมเขามาฟังอ่ะนะฟังพระรูปนั้นท่านก็นั่งสูบบุหรี่อยู่ที่กุฏินูน่นแต่ท่านก็วิจารณ์ว่าพวกที่เรียนนี่พวกที่ฟังธรรมนะพวกนี้ยยินดีในการเกิดเขาว่านั้นเขาวิจารณ์นะ เ, เห็นคนวิจารณ์แล้วก็น่าการุณานะ น่าการุณาเป็นอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าพฤติกรรมของตัวเองอ น, น่าเห็นใจจริงๆนะนั้นก็ถามว่าเขายินดีในการเกิดในสุขติก็ถูกเพราะเขากลัวภายในในอบายอยู่แล้วเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดแบบธรรมดาก็ให้พ้นอบายก่อนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ละนะแล้วนะนะลก็ค่อยๆใช้ได้อย่างเี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงฝั่งแล้วค่อยปล่อยเรือน่นะอย่างที่กล่าวไป